เพราะถ้าเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมมีหรือที่เราคิดจะเตรียมสเสบียงใช่ไม้มเราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะคิดว่าเอออะไรเป็นสาระต่อไปข้างหน้าเราก็จะมองไม่เห็นเลยนะคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ไปก่อนเราไปตั้งเยอะแล้ว น, น, ลน้องๆลันลับเ น, น, นี่ก็ไปตั้งหลายคนแล้วแล้วเราจะอยู่อีกนานไหมที่อยู่อยู่ไปทํำไมวันนี้ก็ปรารบถึงรูปประคันว่ารูปประคันนี้ มีสมุดฐานใหญ่ๆแล้วมีสี่สมุดฐานทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและอาหารในรูปประคันเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจพิจารณารูปยี่สิบแปดภายในร่างกายนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะนในผมนี่ก็มีรูปสี่สิบสี่รูปในเล็บก็มีสี่สิบสี่รูปในฟันก็มีสี่สิบสี่รูป หนังก็มีสี่สิบสี่รูปนะเนื้อก็สี่สิบสี่รูปแต่ถ้าหากว่าอยู่ในส่วนของข้างบนศีรษะหน่อยมันก็เพิ่มทางตาก็มีจกักรภาษาทารูปมีโตสตภาษาทรูปมีคานปราษาทรูปมีชิวหาภาษาทรูปแล้วก็มีกายะภาษาทรูปอยู่ด้วยในรูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสมุทฐานทั้งสี่อย่างเลยทั้งกรรมด้วยจิตด้วยอุตุ ด, ด้วยและ อาหารด้วยในสมุทฐานทั้งสี่เนี่ยนะกรรมที่ที่มาจัดสรรให้เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยกรรมกี่อย่างเนี่กรรมนั้นมาจากกุศลแล้วกุศลเหล่านั้นก็ยังมีกุศลบางอย่างมาอุปธรรมอีกกรรมอุปธรรมกรรมอ่ะกรรมที่เข้าไปอุปธรรมวิบากกรรมบางอย่างทําหน้าที่เบียดย่างเดียวอย่าไปดีนักเลยคล้ายๆกับมีคนคนหนึ่งอะนะ มีผู้ที่อีกคนหนึ่งเข้าไปดูแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวริสยาณนะมาคอยแอนเนี่ยจะโตมากกว่านี้ไม่ได้ดีกว่านี้ไม่ได้อันกรรมประเภทเบียดเบียนก็เป็นประเภทเดียวกันอันในส่วนกรรมทั้งชนกะกรรมกรรมที่ทําให้เกิดกรรมมาแต่งแล้วก็กรรมที่มาเบียดเบียนกรรมที่อุปถมัมแต่ก็ยังไม่ถึงกับตัดรอนนะใครเคยเห็นกรรมตัดรอนบ้างรถเนี่ยนะเหยียบหัวดังเปาะเลยนะแตก มีโยมคนหนึ่งนั่งรถเครื่องซ้อนท้ายรถเครื่องอนะเนะ่ทีนี้ก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อกันหนาวนี่ในระหว่างขับรถเนี่ยนะรถเครื่องก็ขับข้างๆรถสิบล้อไปเสื้อเนี่ยนะล้อรถสิบล้อเนี่ยมันก็เป็นอากาศใช่ไหมมันหมุนนะมันก็ดูดเสื้อนี่เข้าไปก็ดึงศีรษะลงไปแล้วก็ล้อเนี่ยเหยียบเรียบร้อยเลยเป็นน้องสาวเพื่อนเหลือแต่ตัวหัวไม่มีเลย มาให้สวดสวดมาหลายวันกันเนี่ยคือกรรมที่เข้ามาตัดรอนกระที่เล่าอีกที่หนึ่งใช่ไหมมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยมาตกอยู่เก็บใสายได้กระถ้วยหนึ่งเล็กๆเท่าถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่สายได้เท่านั้นแหละมันสมองก็เหมือนกับแป้งอ่ะเลยนั้นพวกกรรมเนี่ยเล่นยากกรรมในอดีตแล้วทีนี้ว่าในกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะมันเล่นยากเหมือนกับความคิดตอนนี้แหละ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 เขาอายุประมาณเก้าล้านปีมนุษย์ร้อปีอะเหรอเขาคงขำหน้าเดียวเลยนะแล้วทำไมมันสั้นขนาดนั้นน่ะเหมือนน้าค้างบนยอดหยอดนิดเดียวอะอาทิตย์ขึ้นมาไ่ยก็จางหายไปแล้วในสายตาของเทวดาชั้นดาวดึงสิกูโหมนุษย์เนี่ยมันยิ่งกว่างูแลบเล้นอีกมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมถ้าชั้นสูงสูงสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยปีของเรา ถ้าชั้นสูงไปกว่านั้นอีกนะสองร้อยปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาถ้าดูสิทธ์นะสี่ร้อยปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานิมมานะรดีเนี่ยแปดร้อยปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาปรินิมิตตะวัตสวดีเนี่ยเท่าไรพันหกร้อยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาถ้ามหาพรหมด้วยไม่ต้องพูดเลยชั้นสูงสูงขึ้นไปอีก พรหมชั้นเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเนี่ยแปดหมื่นสี่พันมหากักของเราเนี่ยนะอยู่ในในกามภูมิเนี่ยนะเขาบอกว่ากระดูกของคนคนเดียวนี่ใหญ่ยิ่งกว่าเขาเวภาระบรรพตเวปุระบรรพตแค่กระดูกของคนคนเดียวเนี่ยนะศพของคนคนเดียวถ้าไม่เผาไม่ไม่ย่างไม่บุบไม่เน่าไม่ตลายเนี่ยนะมากไปแล้วแปดหมื่นสี่พันกับเนี่ยเขาแปดหมื่นสี่พันลูกถือว่าชาติเดียวของเขา อันไหนสายตาของเนวสัญญาณาสัญญายาตนะของเราเนี่ยมันมันยิ่งโอ้โหมันสั้นจริงๆเลยนะมีเวลาที่น้อยมากเพราะฉะนั้นกิจที่พึงประพฤติก็คือความไม่ประมาท อ, อายุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่สั้นเป็นของที่น้อยอันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงแต่ความจริงที่มีชาติเป็นธรรมดามีชรามีพยาธิมีมรณะมีโสกกะปริเทวะ ทุกขโทมานัตอุปายาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เป็นอารมณ์ของปัญญาอาวิชาก็เกิดแทนนี่ถ้าอาวิชาเกิดแทนเนี่ยนะถ้าอาวิชามันเกิดมากๆเข้าวันนี้นั่งดูไอ้สุนัข ท, ที่ที่บ้านอยู่เมื่อวานนี่มันโมหะท่านะมันก็นอนมันก็ไม่ได้คิดอะไรสักอย่างเลยนะหนักไปในทางอุทธาจักกุกุจกักใช่ไหมสมมตินในความคิดของมันจะคิดถึงอะไรบ้างนะรับได้คิดไหม เออสุนัขมันก็เห็นเราก็เห็นเออถ้าสุนัขเห็นมันจะคิดยังไงจิตกี่ดวงที่จะทําให้คิดคือเราอย่าไปมองเป็นเรื่องเป็นราวแบบเหตุผลแบบเราคิดที่เป็นบัญญัติอะมองโดยสภาวะปรามัดว่าในขณะที่สุนัขเห็นเนี่ยเออมันนอนคิดอันส่วนใหญ่ก็เป็นโลภะกับโมหะโลภะก็ประเภทอุเบกขาแต่ถ้าหากว่าขณะที่มันหิวนะน้ําลายไหลเยิ้ดเนี่ยประเภทโสมนัส ส่วนใหญ่ก็ประเภทโมหะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าได้อารมณ์แมววิ่งผ่านมาปั๊บโทสะเกิดทันทีเลยนะรีบกระโจนไปเลยโทสะมุตจิตก็เกิดสืบเนื่องกันเสร็จแล้วก็มันนอนโมหะต่อไปีวันวันก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วแล้วเมื่อไหร่ชีวิตชีวิตสิ้นสุดแห่งความเป็นสุนัขครับเออจากสุนัขจะไปไหนต่อก่อนจะมาจากสุนัขเนี่ยแสดงว่ามาไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าจบจากสุนัขแล้วจะไปไหนต่อ ปฏิสนธิในพบใดกรรมอะไรที่จะให้ผลต่อไปอีกก็บอกว่าโอ้โหมันมันน่ากลัวเหมือนเราเปี๊ยเลยเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยความคิดดูอะไรเพลินๆ น, นะโดยสภาวะประมัตร์คือจิตเจตสิกแล้วเราไม่ต่างจากเขาเมื่อไม่ต่างจากเขาเนี่ยสารณะที่พึ่งของเราคืออะไรงัถ้าหากว่าของเราไม่มีคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะเราจะปล่อยความคิดของเราอย่างนี้ไปอีกนะ ปล่อยทั้งกายากรรมปล่อยทั้งวจีกรรมปล่อยทั้งมโนกรรมเมื่อปล่อยกายกรรมวจจีกรรม rim, welcome, มโนกรรมยุงมาก็ตกแผ่เข้าไปปาณาติบาตอีกแล้วเหตุให้ตกนรกและอายุสั้นทีนี้พอมาอายุสั้นใช่ไหมเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าลูกเกิดมาอายุสั้นเนี่ยมีลูกคนเดียวอายุสองขวบตายเงี้ยแม่จะเสียใจขนาดไหนนะบางคนเนี่ยร้องให้ขำควรอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ย มีลูกคนเดียวอายุแปดขวบกว็าตายไปป่าช้าอยู่ทุกวันไปร้องให้แม่มาแล้วลูกเอ้ยอล่างนั้นนะก็เหมือนกันในหนังอะไปค้อลงอยู่ทุกวันนี่แหละป๊อกป๊อกปไปเวลากินข้าวแล้วจ้าเนี่ยอายุนั่นนี่นร้องให้เสียใจมันก็ทําให้พอตายไปปั๊บเนี่ยตัวเขาเองก่อนจะตายเขาก็ทุกเต็มทีแล้วแล้วก็ยังพาความทุกข์ของคนรอบข้างให้ทุกตามไปด้วยอายุสั้นนั้นก็มาจากปาน า, าติบัติ มันปนาณาติบาสนั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วถ้าสังวรสัมรวมระวังเป็นมหากุศลอย่างมากมายมหาศาลอันมหากุศลเหล่านี้ถ้าให้ผลให้ผลเป็นอย่างไรมหากุศลที่เกิดจากการสังวรสัมรวมระวังให้ผลนะในหน้ายี่สี่ว่างไงบ้างอในหน้ายี่สี่กล่าวถึงอา น, นิสงส์ของการรักษาศีลครอบปาณาติบาตปานาติปาตาเวรมณีถ้ากุศลจิตอันนี้เกิดขึ้นวิรัตโนดเวน พอความในคำภีอัตกถาอิติวุตกะกล่าวเอาไว้นะถึงผลของการรักษาศีนมามาสำรวจตรวจตราดูร่างกายของเรานะว่าส่วนไหนที่มาเป็นผลของศีลของการงดเวทปานาฏิบาตบ้างอังคะปันจังคะสมนาคาตาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่เรียกว่าไม่รีบไม่พิการเป็นต้นเนี่ยนะร่างกายสามสิบสองเนี่ยไม่บินไม่แหว่งเรียกว่า เหมาะสมเหมอนกันจะอันนี้ก็หนึ่งเป็นผลของอุสรติอันนี้ด้วยสองอารอหะปรินนาหะสัมปติความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างสูงใหญ่เหมนกันถ้าท้าทหานี่เขาก็รับมันนะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็สามชาวนาสัมปติความถึงพร้อมด้วยเชาไหวพริบดีมีปฏิพานไหวพริบคือคนในขณะคิดจะข้ามก็เป็นโทสะใช่ไหมโทสะนี่ฉลาดไหม ไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นศีลประเภทนี้เนี่ยถ้ารักษาได้ก็เป็นปัจจัยให้มีชาวนะชาวนะก็คือหมายถึงปัญญานั่นเองเชาวไวคิดอะไรออกง่ายคิดอะไรก็เร็วแต่คิดอะไรช้าๆนี่ก็แสดงว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็ศีสุปฏิทิตะปาทตาความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมบางท่านเนี่ยสูงต่ำของเท้านี่ไม่เท่ากั น, นมีขาอยู่สองข้างนะยังบางทีก็ยังไม่ค่อยจัด ห่วงดุลกันดีเลยใช่มเดินเนี่ยสูงสูงต่ำต่ำ ส, ส, สูงสูงต่ำต่ำเลยบางคนก็เป็นลักษณะ น, นั้นนี่ก็เป็นผลของการทำปนานปฏิบาติส่วนผู้ที่รักษาศีลข้อ น, นี้ดีก็จะทำให้มีเท้าเหมาะสมเป็นต้นแล้วก็ห้าจารุตาสวยงามก็คือหน้าดูหน้าชมนั่นเองไม่ใช่ว่าเหลียวป๊บเนี่ยโหหลบได้แล้วก็ดีเลยอันนั้นเนี่ยถ้าผลของอากุศลจะเป็นอย่างนั้นนะ คำว่ามองปั๊บเนี่ยอยากผ่านไปเลยเห็นครั้งเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าผลของกุศลเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกไม่รู้จกักอิ่มจักพอก็เหมือนกับกุศลจิตใช่ไหมถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนที่กุศลจิตเกิดบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ใครก็อยากเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าหากว่าอากุศลจิตเกิดได้ยินแค่เสียงปั๊บเนี่ยเออหลบไปจักพักก่อนนึงละเผื่อมันจะระ ง, งับระ ง, งับหน่อยแลค่อยมาใหม่เนั้นอกุศลเนี่ยมันน่ากลัวกันนะเนราะนั้นผลของอกุศลทําให้น่ากลัวถ้าผลของกุศลก็จารุตาสวยงาม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 เขาทั้งซอยเลยนะแค่เดินเฉียดลงไปเนี่ยแทบอาเจียนเนียคือคือรู้จักคนเนื้อข้างหลังซอยอะ่ะมันก็ต้องเดินไปกลอะ่ะโห้รับคันทารมซึ่งเป่นคาวนะเป็นอากุศลวิบากทั้งซอยเลยนั่งอยู่ชั่วโมงหายจเข้าออกก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับไปที่แถวแถวเล้าหมูใหม่ๆเนี่ยนะกลิ่นมันติดตัวตลอดเลยท่านอาจารย์รูปปัดบอกว่าโอ้ผมเนี่ยคันธารมมีตลอดเลยเนี่มันอัน ถ้าหากว่าขณะที่ทําปาณาติบาตทําอากุศลเนี่ยนะยิ่งแบบประมงอ่ะนะขณะที่ผู้อาชีพประมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก็ไม่สะอาดอันเวลาทําเหตุก็ยังเหตุที่ไม่ดีตรงกันข้ามกับมารักษาศีนนะคนรักษาศีนเนี่ยตรงข้ามเนี่ยสะอาดนะจะตรงกันข้ามผลก็ก็ตามสมควรกับเหตุด้วยแล้วต่อไปนะสุรตาทําให้กล้าหาญศีลข้อนี้ก็ทําให้กล้าหาญดีด้วยแล้วก็เก้ามหาภลตาความเป็นผู้มีกําลังมาก ใครที่อ่อนระหอยโรยแรงนี่ก็เพศกรรมประเภทนี้ทําไว้บ่อยนะแล้วก็สิบวิสัทธวจนะตาความเป็นผู้มีถ้อยคําสละสลวยถ้าข้าศัต์เนี่ยคําพูดของคนข่าเนี่ยพูดสละสลวยไหมอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศีลที่งดเว้นจากปาณาติบาตก็เป็นใจที่ประกอบด้วยความการุณาเป็นต้นฉะนั้นคําพูดที่เกิดจากความการุณาจึงเป็นคําพูดที่สละสลวยด้วย แล้วก็ต่อไปก็สัตตานางปียามันนปตาความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายใครเห็นใครก็ชอบอ่ะนะหวังการมาของเขาอ่ะให้เราคล้ายๆคนมีบุญก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าคนมีบาปเยอะๆเมื่อไหร่จะไปทักทีว่อเมื่อไหร่จะไปทักทีอ่านะ้นนั้นถ้าผลของบาปเนี่ยมั น, ม, นมันลําบากนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เราก็สั่งสมไว้พร้อมด้วยนะแล้วแต่อะไรจะให้ผลอนะ่ะต่อไปนะอภิชาติปริสตา ความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกคือถ้าหากว่าคนยิงนกใช่ไหมยิงเข้าไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยวงแตกเลยไอ้นกอ่ะเพราะน้ำกรรมประเภทนี้ก็เหมือนการใครทํากรรมประเภทฆ่าเนี่ยนะมีลูกมีหลานก็แตกแยกมีแต่แตก แ, แยกอย่างเดียวอันถ้ารักษากุศลประเภทนี้ดีนะบริษัทไม่แตกแยกอ่ารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าดีเรามีหมู่คณะเป็นสังคมที่ไม่แตกแยกรักษาศีลข้อนี้ดีเราจะได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยแตกแยกมาก แต่ถ้าสีข้อนี้ไม่ดีนะเวลามันมาให้ผลมันแตกแยกอะ่ะเขาบอกว่าเรื่องไม่น่าแตกมันก็แตกอะ่ะเรื่องไม่น่าทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าไม่รู้เรื่องมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมด้วยส่วนเป็นอุปนิสัยมาด้วยแล้วก็อชาช am พิตาความเป็นผู้ไม่สะดุ้งวาดเสียวคนคนที่ฆ่าศักดบ่อยๆเนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างสะดุ้ง เขาบอกว่ามือปืนนะถ้าไปฆ่าใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะนอนหลับสนิทนี่ก็หลายอีกหลายวันเขาเล่าว่าอย่างงั้นมันระแวงตลอดก็ต้องกินเหล้าย้อมใจไปเรื่อยมันเมาให้มันลืมไปบางทีเนี่ยที่เขาได้ข่าวมานะประเภทคนที่ทํางานประเภทฆ่าฆ่าจะเป็นลักษณะนั้นหาความสุขค่อนข้างยากหลับไม่ค่อยสนิทจะดุ้งหวาดเสียวหวาดระแวงนะได้ยินเสียงแกล้งหนึ่งเนี่ก็ระแวงและถ้าคนมีศีลเนี่ยโอยฟ้าจะถล่มยังเฉยอยู่เลยใช่ไหม คนไม่มีศีลเนี่ยโอ้โหมดมันตายคลักๆอะไรวะเนี่ยเสียวสลดัดแล้วก็ต่อไปนะทุบประทางศสียตาความเป็นผู้อันใครๆกําจัดได้ยากศีลข้อนี้นะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีเนี่ยไม่ต้องคิดว่าใครจะกําจัดได้ไม่มีใครกําจัดได้หรอกแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ไม่ดีนะไม่ต้องมาให้ใครกําจัดหรอกนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็กกถูกกาจัดเองอะไรกรรมมันเบียดเองอนะ่ะทีนี้ต่อไปนะ ปรูปักกเมนะอมรณาตาความเป็นผู้ไม่ตายดับด้วยการปองร้ายของผู้อื่นบางคนเนี่ยจะตายเพราะการปองร้ายของคนอื่นเนี่ทำให้อายุสั้นแต่ถ้าศีลข้อนี้ดีนะถึงเขาปองรายอย้ายยังไงก็ไม่ตายใครเคยได้ยินประวัติของโคสกะเศรษฐีเนี่ยโคสกาเศรษฐีเนี่ยพอกคลอดออกมาปั๊บเนี่ยแม่เนี่ยเอาไปทิ้งเลยเพราะว่าไปเกิดเป็นลูกของโสเพณีสมัยก่อนเนี่ยโสเพณีเนี่ยพอกคลอดลูกก็เอาไปทิ้งถ้าเป็นลูกชายนะถ้าเป็นลูกสาวก็เลี้ยงเอาไว้ นี่พอเอาไปทิ้งแั๊บเนี่ยเพราะความที่กรรมที่ท่านเคยเห่าพระประเจกดูแลพระประเจงเนี่ยก็หลอเลี้ยงไว้อย่างดีพวกสัตว์บางอย่างก็มาคอยป้องกันอย่างดีจนถึงกับหลายครั้งมากถึงเข้าปองร้ายถูกวางแผนฆ่ามาหลายครั้งก็ไม่ตายอันนี้ก็เป็นผลประเภทศีลประเภทเนี่ยนะเห่าพระประเจกไว้สมัยที่เกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาก็เห่าพระได้บุญกันนะเห่ารักษา ไม่ใช่เห่าโกรธนะนะมีหมาสายหนึ่งไปบินทบาทนะมันก็เจอกันตั้งหลายเดือนเห่าอยู่ได้ทุกวันนี่แหละเห็นหน้าเพรเห่าทันทีเลยอ่ะมันเห่าแบบโทสานะเห่าแบบไม่พอใจอ่ะเอมก็แปลกนะหมาที่อื่นเอเราก็เห็นมันเห่าครั้งสองครั้งมันก็เลิกแล้วนะอันนี้มันเห่าอยู่ได้ทุกวันโอ้โหทีนี้มันเห่าอยู่เดือนกว่าหายเงียบไปเลยไม่รู้มไปไหนละมันก็เลยเนี่ยเออขอให้ไปดีเถอะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมอชีวกเนี่ยหมอชีวกนี่ก็ถูกทิ้งเหมือนกัน หมอชีวกนี่ก็ก็น้าหน้าท้าองฟ้านกันถูกแม่เอาไปทิ้งแต่ก็ไม่ตายเขาเลยเรียกว่าชีวกว่ายังอยู่ไหมบอกเ อ, อ้ยังอยู่เออเอามาอหไรเลยเรียกชื่อว่าชีวกเลยท่านคนที่ขนาดเขาวางแผนฆ่าฆ่ายังไงก็ไม่ตายบางคนก็บุญประเภทนี้มาดีแต่บางคนเนี่ยนะพอบุญประเภทนี้คนคนอื่นปองร้ายแล้วไม่ตายเสร็จไปเที่ยวปองร้ายคนอื่นไว้แต่แล้วก็เหตุประเภทนี้มันให้ผลคืนเนี่ยนะ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 ต, ตอนนี้ทําชั่วเนี่ยโอ้ยทำไมอายุยืนยาวจังกัไม่รู้บางคนเป็นลักษณะนะหน้าทุกข์สารนะชีวิตเนี่ยช่วงที่กําลังเจริญกุศลได้ดิบได้ดีเป็นกุศลจิตค่อนข้างเกิดต่อนเนื่องหน่อยชีวิตเป็นสาระมากหน่อยก็อยู่ไม่ทนซะอีกแต่พวกอยู่ทนทนนี่ก็ชีวิตก็ไม่ค่อยจะมีสาระซะอีกทีนี้ต่อไปนะมหาปริวารตาความเป็นผู้มีบริวารมากก็คิดดูนะถ้าคนคนมกักฆาเนี่ยใครอยากไปนั่งไกลบ้าง การรักษาสีลข้อนี้ดีใครก็อยากนั่งใกล้ใช่ไหมคือคือปลอดภัยแน่ชีวิตเราปลอดภยัยว่างั้นแล้วก็สิบเจ็ดนะสุวรรณตามีผิวพรรณเหมือนทองแต่ว่าผิวคนแบบคนเอเชียป่ะผิวเหลืองนู้นเอเชีย น, นี่เป็นผิวเหลืองเหลืองออกทองๆหน่อยนะสุสานทานตานะเป็นผู้มีส้วนส ง, งา่าหุ่นดีนะแล้วก็อัพพาทตาความเป็นผู้มีอาพาธน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียน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 ถ้าเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะๆเนี่ยนะถึงอายุยืนก็ป่วยบ่อยแต่ถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะถึงอายุยืนร้อยสิบปีก็สบายๆเลยนะถ้าภาคุลเนี่ยอายุร้อยหกสิบปีเนี่ยไม่เคยกินแม้แต่สมอชิ้นเดียวสุขภาพดีมากบวชเมื่ออายุแปดสิบก็คือท่านอายุร้อยหกสิบใช่ไหมบวชอีกแปดสิบพรรษาั้นแล้วท่านไม่เคยมีคนต้องมาเดือดร้อนเพราะท่านแม้แต่นิดเดียวสบายแล้วไม่ค่อยแสดงทําอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นพระสบายๆอ่ะ เป็นพระทหารด้วยบวชได้เจ็ดวันเป็นพระทหารท่านท่านมีบุญมากแล้วที่เรียกว่าพระพากูลเนี่ยเป็นพระสองตระกูลเข้าไหมเรียกว่าเป็นเป็นพระลูกตระกูลใหญ่สองตระกูลอ่ะคล้ายๆที่จริงอะ่ะตัวเองเนี่ยสมมติว่าเป็นลูกของเศรษฐีเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมอาบน้าําอ่ะว่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปลอยเกาเนี่ยปลาเนี่ยกลืนเสร็จแล้วไปโผล่ที่กรุงเทพเนะกรุงเทพก็จับปลาได้ก็ไปขายให้ภรรยาเศรษฐีเศรษฐีก็ พามาก็ได้เด็กไงก็เลยกลายเป็นสองตระกูลเลยเขาเรียกว่าทางนี้รู้ว่าลูกไปอยู่ทางโน้นแล้วก็ฟ้องร้องกันนี้ก็แบ่งกันอยู่อยู่โน่นทีอยู่นี่ทีจนอายุแปดสิบจึงบวชแต่ว่าท่านเป็นคนแข็งแรงมากไม่เคยป่วยเลยอ่ะกรณีสุขภาพดีขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะสุขภาพเนี่ยไม่เคยป่วยก็ว่าไงถ้าสมัยนี้เกิดมาพาราไม่เคยกินแม้แต่เม็ดเดียวคิดดูนะบวชเจ็ดวันแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยสติ ป, ปัญญาจะขนาดไห น, นไม่ต้องพูดว่าหัวท่านดีขนาดไห น, น เป็นคนที่มีบุญมากเศรษฐีสองตระกูลนะ่ยนะมีแต่สบายอย่างเนี้ยความสุขเนี่ยนะมีคนคอยเอาใจทุกอย่างหิวหรือยางอะไรต้องมาถามเนี้่นะบางคนเนี่ยหิวแล้วนะเมื่ อ, อไรจะได้กินอนะ่ะตรงกันข้ามกันใช่ไหมนคนมีบุญกับคนไม่มีบุญนี่มันคุยกันยากนะคนหนึ่งออาหน่อยหนะ้าสักคำหนึ่งหนะ้าอีกคนหนึ่งบอกขอสักคำหนึ่งเธอองนั้นนะตรงกันข้ามหมดเลยอย่าประมาทในบุญอย่าประมาทในกุศล ไปศึกษาในาพากุละเทระประทานดูไปแล้วก็เป็นผลของบุญอะ่ะเชื่อทําบุญเยอะๆอัดถูกแน่นอนไม่ผิดเนาะข้อปฏิบัติไม่ผิดก็คือทําจิตให้เป็นกุศลนั่นแหละอกุศลเนี่ยละได้เนี่ยนิวิเศษที่สุดเลยแต่ก็คือเป็นกุศลประเภทเป็นไต่กับทานศีลภาวนากุศลที่ไม่ค่อยป่วยไข้ก็คือบุญประเภทให้ทานยุกยาเป็นต้นนั่นแหละถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทําเหตุประเภทเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะๆนะมันก็ทําให้ป่วย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 นะคนที่ศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยแม้แต่จะพูดสักคำหนึ่งก็จะเลือกพูดและอะไรสมควรพูดพูดแล้วเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมทำพูดคิดอะไรแต่ละอย่างเหล่านี้ก็เหมือนกันจะมีการวิเคราะห์พอวิเคราะห์มากๆขึ้นก็จะเป็นปุญญาที่สังขารกุศลจิตเกิดบ่อยกุศลจิตเหล่านี้นี่แหละเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสนาเป็นอย่างนี้อันถ้าหากว่าเราไม่มีฮิเรโอตปาปาณนะวิปัสนาไม่รู้จะเจริญไปทําไมเหมือนกัน แต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมดีมากๆขึ้นจะทําให้เราเตื่นตัวเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเนี่ยไหลไปกับเรื่องที่ที่ไม่ควรเลยเราจะรักษาระวังความคิดมากความคิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะในการคิดก็คือความคิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นต้น เป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความสังวนสํารวมระวังเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อทนิพาณ น, นั่นเองงนั้นความคิดเหล่านั้นก็คือประเภทเนคขมวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกคื อ, อยังไงเราก็คิดอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าเลือกความคิดเท่า น, นัา้นอะไรควรคิดไม่ควรคิดก็เหมือนอาหารเนี่ยใครไม่ทานบ้างก็ทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเลือกทานอาหารอย่างไรที่จะไม่มีโทษกับชีวิตอันเรื่องที่เราคิดก็เหมือนกัน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 ศีล ส, สุตะจาระคะปัญญาะเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ปาถนาอะไรอ่ะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสําเร็จเลยเยาว่าธรรมดานี่เลยเยาว่ะสวรรค์นะซึ่งมันของเรียกว่าใกล้ๆเขบว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสําเร็จเลยมันบุญเนี่ยจะช่วยทําให้สําเร็จเตรียงกับเปลี่ยนศัพท์ใหม่นะฮะแล้วแต่ความคิดว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจ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 หลักเอกคนคนหนึ่งเนี่ยนะเดินเหมือนกันเขาเดินตัวสบายเลยอ่ะอีกคนหนึ่งโหแบกทับผสมภาระหน้าดูเลยอันในสถานที่เดียวกันเนี่ยนะอีกคนหนึ่งต้องเหนื่อยมากอีกคนหนึ่งเนี่ยสบายมากเลยสมมติเช่นเรานั่งอยู่บนรถเนี่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งโอ๊ยทุกมากนะเหนื่อยอีกคนหนึ่งนั่งสบายไปอีกแข่งหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งทุก อย่างกับพ่อบ้านแม่บ้านเนีนั่งรถเนี่ยพ่อบ้านก็ขับดูดูอะไรอย่างนี้ไปถึงบ้านเนี่ยแม่บ้านนั่งนิ่งไม่ได้เลยะพ่อบ้านเนี่นั่งสบ่ายเป็นพักๆนะคนเราแสดงว่าทากรรมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมกันอันนี้บากอีกคนหนึ่งกําลังสบายมีความสุขอีกคนหนึ่งก็ทุกข์ละเดี๋ยวลองฟังพระสูตรสูตรหนึ่งนะว่าชันโนวาทสูตรพระสูตรที่พระชนะฆ่าตัวตายพระชนะนี่มีสององค์นะพระชนะองค์หนึ่งก็คือเป็นพระชนะที่เป็น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 สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระชนนะอยู่บนภูเขาขิจฉกูดเฉพาะท่านพระชนนะอาพาธทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักพระยังป่วยเลยเนาะนึกว่าเป็นพระแล้วจะไม่ป่วยเนาะป่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระชนนะเนี่ยท่านก็ป่วยป่วยหนักมากเลยครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีเกเรัตนในเวลาเยน็นแล้วก็เข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะอย่างที่อยู่ พระมหาจุนทะก็คือน้องของท่าน Luckily, นั euh ่นแหละแต่ก็เป็นพารหันแล้วก็ได้กล่าวกะท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่าดูก่อนท่านจุนทะมาเถิดเราจะเข้าไปหาท่านพระชนะอย่างที่อยู่ไตถามถึงความเจ็บไข้ท่านพระมหาจุนทะก็รับคําท่านพระสารีบุตรแล้วตอนนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะได้เข้าไปหาท่านพระชนะอย่างที่อยู่แล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระฉันนะ ขันผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระชนะดังนี้ว่าดูก่อนท่านชันนะท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือเป็นยังไงทนได้ไหมอย่างนั้นไปถึงอ่ะไปเยี่ยมคนไข้นะใครเคยไปเยี่ยมไข่บัางไปถึงถามเขาว่ายังไงถามนี้หรือเปล่าเป็นยังไงพอทนพอเป็นไปได้หรือ ขึ้นต้นอาจจะเหมือนกันเป็นไงเจ็บบ้างไหมนะแต่ว่าตอนท้ายๆนี่ดูไม่ค่อยเหมือนกันอ่ะนะตอนต้นแนีก็ถามความเจ็บป่วยก็ถามเหมือนเหๆกันนั่นแหละทุกขเวทนาทุเราไม่กำเริบปรากฏความทุเราเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบ ห, หรือเป็นยังไงมันส่างขึ้นไหมเบาขึ้นไหมพอจะหายไหมอะไรเงี้ยนะถามกันท่านพระฉันนาก็ตอบว่าถ้าแต่ท่านพระสารีบุตรผมเนี่ยทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยโอ้ยใครที่มันมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้น น, น, นะะมันไม่ลดเลยอะ่ะข้าแต่ท่านภาษาบุตรลมเลื้อประมาณกระทบขม่อมของกระผมเหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมเช่นนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนัก กำเริบไม่ทุ่เราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุ่เราเลยถ้ามันมันป่วยจริงๆเนี้ย น, นะลมเนี้ยเสียดแทงศีรษะตลอดเลยนะเหมือนกับเอามีดอะไราจิ้มลงไปใช่ไหมแล้วก็กวนเสียดแทงมันปวด อ, อย่าไปตายใช่ไหมยอนะทําทได้ไหม <c oughs> เวลาคนจะตายส่วนใหญ่เนี่ยทุกมากอั้นในทุกช่วงนี้เนี้ยแหละเรียกว่าทุกขเวทนามากๆส่วนใหญ่จะควบคุมตัวเองไม่ได้ พอควบคุมตัวเองไม่ได้ปั๊บเนี่ยกรรมในอดีตก็จะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ใครเห็นอะไรเป็นสาระในช่วงนั้นก็พวกกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตก็จะปรากฏช่วงช่วงนั้นแหละข้าแต่ท่านภาษาริบุตรลมเหลือประมาณเวียนศรีรษะของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกําลังให้การขันศรีรษะด้วยชนะอย่างมั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริกไม่ทุเราปรากฏความกำเริกเป็นที่สุด ไม่ปรากฏความทุเราเลยเอาเชือกมาคล้ายๆกับคาดนักมวยเห็นไหมแต่เป็นเชือกใช่ไหมแล้วเอาไม้หนึ่งรัดๆๆให้มันแน่นไปเรื่อยๆนะลมนี่มันเวียนขนาดยังไม่เคยเป็นขนาดนั้นใครเคยเป็นบ้างยงังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นมันนั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วข้าแต่ท่านพระสารีบุตรลมเลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมเหมือนคนค้าโครหรือลูกมือของคนค้าโคผู้ฉลาด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 เหมือนบุรุษมีกําลังสองคนจับบุรุษมีกําลังน้อยที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆและก้อนหน้าบย่างในหลุมถ่านเรนเหมือนกับปลาปิ้งปลาย่างไก่ย่างอย่างนั้นนะนะฉะนั้นกับผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกับผมเนี่ยหนักกําเริบไม่ทุเราปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยแคริวามานาสิการตรงไหนเนี่ยนะในอาการสาสิสองเนี่ยหมาทุกขากายเย้าบิญยาณเนี่ยเกิดหมดเลย ไล่ส่วนไหนที the ่ไม well. ่มีทุกขากายยวิญญาณเนี Shape ่ยไม่มีเลยมันก็เหมือนกับคนไข้ขึ้นใช่ไหมนึกที่เท้าเท้าก็ร้อนนึกที่แขนแขนก็ร้อนนึกที่ศีรษะศีรษะก็ร้อนแดดแต่หน้าผากหน้าผากยังร้อนเลยใช่ไหมทุกขากายยะวิญญาณเนี่ยเกิดตลอดเพราะในทั่วสารพรางกายก็มีเตโชธาตใช่ไหมมีเตโชธาตในทั่วสารพรางกายแล้วก็กายยะภาษาทรูปก็มีเกือบทั่วสารพรางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าเตโชธาตมันกำเริบ ทุกขากายยะวิญญาณก็จะเกิดท่านก็เลยบอกว่าฆ่าแต่ท่านภาษาทิบุตรกระผมจะหาศาสตรามาฆ่าตัวไม่อยากจะได้เป็นอยู่เลยวังนั้นทุกเลยเกินแต่ก็ไม่เห็นตายสักทีเดี๋ยวจะลาตายแล้วเดี๋ยวจะหาวุธมาฆ่าตัวตายแล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ยพระองค์ยังไม่ได้บัญญัติวินัยเรื่องฆ่าตัวตายคือในพระวินัยมีอยู่ข้อหนึ่งที่สุรูปใดฆ่าตัวตายเป็นอนบัตรทุกคน ทีนี้ว่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีพระวินัยบัญญัติอันนี้ขึ้นท่านก็เลยวางแผนฆ่าตัวตายเลยเพราะยังไม่ผิดวินัยใช่ไหมทีนี้ท่านภาษาริบุตรก็กล่าวว่าท่านพระชนะอย่าได้หาสาตรามาฆ่าตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านชนะเป็นอยู่ถ้าท่านพระชนะไม่มีโภชนะเป็นที่สบายผมจะแสวงหามาให้อะไรเป็นอาหารสปายากของท่านผมจะหามาให้นะ ถ้าท่านพระช น, นะไม่มีเพสัชเป็นที่สบายผมจะแสวงหามาให้จะเอายาชนิดไหนบอกผมคือภาษาทีบุตรเนยองอุปถาาักท่านเยอะนะเกือบทั้งเมืองกันแหละมันเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องอาหารเนี่ยไม่ยากสําหรับท่านแต่ถ้าท่านพระช น, นะไม่มีคนบํารุงที่สมควรผมจะคอยบํารุงท่านเองเดี๋ยวผมจะอุปถากตไข้นี้เอง ท่านพระชนะอย่าได้หาสาสตรามาฆ่าตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านพระชนะเป็นอยู่ไปยินข่าวลาตายเลยนะพระชนะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่กระผมไม่มีโภชนะเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีเพสัชเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีคนบำรุงที่สมควร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 ตายยังไงเดี๋ยวขอถามปัญหาดูสันหน่อยอย่างนั้นเะ่ะพอตอบได้ไหมท่านพระชนะก็บอกข้าแต่ภาษารีบุตรโปรดถามเถิดกระผมฟังแล้วจึงจักรู้ก็บอกว่าคนที่พูดบอกถามเธอตอบได้หมดแหละนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าเป็นคนทั่วไปก็บอกถามก่อนถ้าถามแล้วค่อยรู้ว่าจะตอบได้หรือไม่ได้นะเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าพอมาก็บอกว่าถามแล้วตอบได้หมดเลยไม่รู้ก็ตอบเป็นเหมือนกันดูก่อนท่านพระชะันนะ ท่านพิจารณาเห็นจากสุจากสุเวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุเวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาอย่างนี้ใช่ไหมตา this เป็นรกระหวะตาเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราใช่ไหมสีจิตเห็นเนี่ยพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็หู โสตโสตวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยโสตวิญญาณคานะคานวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยคานวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยคานะวิญญาณคืออะไรคันธารมชิวหาชิวหาวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยชิวหาวิญญาณกายกายาวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยกายาวิญญาณมโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วย ด้วยมโนวิญญาณวันนั้นของเรานั่นเรานั่นอตาของเราหรือท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมสารบุตรก็ถามถ้าเป็นเราเราตอบไปยังไงใช่เลยใช่ใช่เลยตานี่ก็ของเราใช่ไหมสีก็ของเราอีกหูก็ของเราจมูกก็ของเราลิ้นก็ของเรากายก็ของเราอันนี้เกิดใหม่อีกนานเล้อเกินใช่ไเพราะกรรมประเภทยึดถือเพื่อของเราเนี่ยมันมีไม่ติ้นตุลนะเคยเห็นคนคัดของไหม สมมติว่าในบ้านเราเนี่ยจะจัดของไงไหมเอออันนี้ก็ใช้ได้วางไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้ได้วางไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้ได้อาวางไว้ก่อนเหมือนกันก็แสดงว่ายังเก็บรักษายังหวงแหนอยู่ก็เฝ้าต่อไปอันคนที่ยังยินดียึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เป็นไรก็บอกทุกอย่างยุติธรรมไม่ต้องห่วงหรอถ้ายึดถือมากก็รักษามากยึดถือในน้อยก็รักษาในน้อยพวกนี้ก็เหมือนกันถ้ายึดถือมากนะยึดถือด้วยอำนาจตันหาและที่ถิ่มาก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 นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราผมเนี่ยตามเห็นแบบนี้ทีนี้ท่านภาษาริบทก็ถามต่อไปว่าดูก่อนท่านพระฉันนะท่านได้เห็นอย่างไรรู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าในจักสุในจักสุวิญญาณในธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักสุจักสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา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 ขนาดป่วยนะก็ยังปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุธทธิ์ของท่านก็เจริญเรียกว่าจนมั่นใจว่าจะฆ่าตัวตายได้นะถ้าคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหขอให้มันหายเถอะขอให้มันหายตทีจะได้ทําบุญกุศลอีกหน่อยอยงนั้นแต่ของท่านเนี่ยท่านมั่นใจในทางเดินของท่านนะเพราะว่าท่านท่านไม่ได้มีความสงสัยแล้วในในข้อปฏิบัติพวกเนี้ยเพราะว่าท่านเดินถึงขนาดปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุธทธิ์แล้วอะ ในการพิจารณาจากสุขจากสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุวิญญาณคือของเราในชั้นต้นๆเราฟังแต่ลักษณะของยาตะปริญญาสนานเลยนะลองมาฟังปริญญาชั้นสูงๆดูปริญญาประเภทนี้เป็นประเภทปหานะปริญญาพูดถึงว่าพระชนะเห็นการดับการดับสมมติว่ารูปอารมนะสิ่งที่เห็นได้ทางตานี่นะ ท่านมียานสูงขนาดนั้นเนี่ยเห็นความดับหมายความว่าท่านเห็นเห็นปัจจัยของของรูปอารมณ์ดับใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับหรือว่าเห็นตาดับจริงๆครับหรือว่าเห็นรูปดับจริงๆหรือเห็นจกักรภาษาดับจริงๆคือความดับในในชั้นนี้เนี่ยซึ่งอนุมานค่อนข้างยากนั่นกันเพราะว่ายานในการเห็นความดับจริงๆแล้วถ้าข้อความในวิสุทธิมรรคเนี่ยใน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 เวทนาขันจะเกิดเกิดด้วยอาการห้าจะดับก็ดับด้วยอาการห้านั้นแสดงว่าเกิดด้วยปัจจัยดับด้วยปัจจัยหมายถึงว่ามีความเข้าใจอย่างถึงเกิดดับเป็นอย่างดีการพิจารณาในความเกิดดับลักษณะนี้เนี่ยจึงทําให้เกิดวิปัสณูปะกิเลสพอวิปัสณูปกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาวิปัสณูปกิเลสนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกก็สามารถที่จะพิจารณาความเกิดดับต่อไปทางขยานจึงจะเกิดขึ้น ทนี้ในช่วงพังขยานเกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าไม่ใส่ใจในความเกิดใส่ใจในความดับอย่างเดียวแล้วไอ้กเกิดดับอย่างเดิมนั่นแหละที่แรกใส่ใจในความเกิดใช่ไหมใส่ใจทั้ทงเกิดด้วยทั้งดับด้วยแต่ทีนี้ม า, สา ใ, จ ใ, จใส่ใจแต่ความดับอย่างเดียวเมืม่อใส่ใจในความดับอย่างเดียวก็คือตามเห็นโดยความไม่เที่ยงถามว่าใส่ใจในความดับเห็นแบนไน Jean บไหนก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงอะไอ้ดั บ, ดบทีนี้ไม่ใช่ว่ามันเป๊ะเป๊ะแบบแบบที่แบบที่ที่เราอาจจะคิดกันเองอะนะไม่ใช่ คือท่านตามเห็นโดยอนุปัสสนาน <no ั่นเองพังคยานก็คืออนุปัสนาขณะที่พังคยานหรืออนิจจานุปัสนานะเช่นเห็นดับนี่เห็นอย่างไงก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงนั่นเองหรือเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือเห็นโดยความเป็นอนัตตาหรือเห็นโดยความเป็นของเบิร์นายหรือคลายกำหนัดหรือว่าสละคืนพวกเนี้ยเรียกว่าอนุปัสนาเจ็ดอันในช่วงนี้จึงจะละวิปปลตตธรรมได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ละวิปปัตธรรม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 ถ้าเขาเป็นพระสุขาวิปัปศกนั้นอะ่ะจะต้องพิจารณาในระดับขอบเขตของพระสุขาวิปัสศกถ้าหากว่าพระอริยบุคคลที่ที่มีบุญมากก็พิจารณาตามกําลังของตัวเองญาณชั้นสูงจึงจะเกิดเหมือนกับทานอาหารให้มันอิ่มะนะต้องสมควรแก่คนนั้นๆ น, นอะ่ะแม้แต่ว่าคนที่พิจารณาไตรลักษณ์เป็นต้นเนี่ยนะโดยอาการสี่สิบที่เรียกว่าตีรณปริญญาคนเหล่านั้นรู้ปัจจัยมาเป็นอย่างนี้ไม่มีความสงสัยในอย่างอื่นๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัย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 ไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณาอย่างไรประมวลชีวิตทั้งชีวิตเป็นการพิจารณาชีวิตทั้งชีวิตเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้มาคิดเออตาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแป่หน้าตาคิดอยู่แค่นี้ไม่ใช่แบบนี้นะ mm hmm. เป็นการพิจารณาชีวิตทั้งชีวิตเลยประมวลเช่นชีวิตเราร้อยปีเนี่ยร้อยปีตายเนี่ยนะเอาเกิดเอาตายมามาจับเลยนะตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแล้ว <c oughs> พิจารณาในช่วงนี้ทั้งหมดมันมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่เกินนี้ไปเลย โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ยอ่อลงมายอ่อชีวิตมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆยอ่อชีวิตมาจนถึงประมวลที่สมุทฐานทั้งๆที่เคยรู้ปัจจัยมาเป็นอย่างดีก็มาประมวลใหม่โดยแง่มุมต่างๆช่วงนี้เป็นการวินิจฉัยหรือธรรมวิจยะอย่างมากเลยเขาจึงเรียกว่าแถวนี้ว่าเป็นลักษณะของประเภทธรรมวิจยะสามโพสวิจัยพวกนี้ค่อนข้างมากเมื่อวิจัยมากๆขึ้นเนี่ยจะเริ่มรู้ว่า ในรูปนามแต่และอย่างนั้นถ้าจะเกิดเกิดด้วยปัจจัยเกิดถ้าจะเสื่อมเสื่อมด้วยปัจจัยเสื่อมอย่างเช่นสีที่เรามองเห็นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราพิจารณาเรื่องสมุดฐานนี่ก็รูปน้อยไปเนี่ยเราจะนึกตามไม่ถูกเลยว่าเป็นอย่างไรเรามองเห็นสีเช่นเห็นดอกไม้เนี่ยนะอ่าเมื่อวานสดกว่า น, นี้ใช่ไหมวันนี้ทําไมเป็นอย่างเนี้เพราะหมดปัจจัยที่จะทําให้สดหมดแล้วอันนั้ได้ปัจจัยก็เสื่อมขึ้นมา อันคนที่วินิจฉัยประเภทนี้ค่อนข้างมากๆเนี่ยนะมองเห็นปั๊บเนี่ยมันอย่างถึงความเกิดความเสื่อมเลยสามารถที่จะอย่างถึงแบบนี้บ่อยๆเขาจึงบอกว่าโห้ขนาดภายนอกอ่ะนะไม่มีวิญญาณครองยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปแบบนี้แล้วกายที่มีวิญญาณครองอันนี้จะอยู่ได้หรือการพิจารณาพวกนี้มากพอมากจริงๆจึงจะอย่างถึงว่าในรูปเนี่ยนะเพราะอาวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะ ปัญหาเกิดรูปจึนเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารอุตุกจิตเกิดรูปจึงเกิดและตัวความเกิดของรูปนั้นๆด้วยวันนี้พัติลักษณะของรูปอันนั้นถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปรูปอันนี้ก็หมดไปด้วยทีนี้พอพิจารณาอันนี้คล่องมากชํานาญมากก็ไม่ใส่ใจในความเกิดไม่ ง, งั้นใส่ใจแต่ความ <c oughs> ดับก็คือใส่ใจโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกไปนอนัตตาในฝ่ายดับอย่างเดียวเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเห็นโทษของสิ่งเรานนะ 3, เนี้ยนะพบสามกําเนศสี่คติห้าก็จะเป็นเหมือนกับไฟไหม้ที่เรียกว่าพิจารณาหาทางสลัดออกละยาในการพิจารณาหาทางสลัดออกเป็นต้นก็เป็นลักษณะประเภทมุญจิตุกรรมมัตายาใข่ที่จะพ้นจากรูปนามขันห้าเหล่านั้นนั้นซึ่งในชั้นนี้เราต้องสมุดฐานนี่กรรูปมั่นมั่นคงค่อนข้า ง, ง, งมากหรือว่า อารมณ์แต่ละอย่างที่พิจารณาเนี่ยนะเรื่องปัจจัยเนี่ยรู้เป็นอย่างดีเลยต้องข้ามความสงสยัยแล้วก็ความรู้ในเรื่องของตีรณะปริญญาเนี่ยมั่นคงมากอันปหานะปริญญาจึงจะเกิดได้อันพระพระชนะท่านก็เจริญค่อนข้างมากเพราะว่าตรงนี้ท่านท่านกล่าวถึงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะเรื่องนี้อง์เรียนในวิสุทธิมรรคจนพรถ้าหากว่าอยากรู้รายละเอียดมากก็ต้องดูในวิสุทธิมรรคเอาเพราะว่า วิสุทธิมัชยนั้นเป็นคำภีร์ที่ขยายเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ขึ้นต้นแล้วในคัมภีร์ปรปัญจะสูทนีท่านกล่าวว่าศีลทุดงสมาธิวิปัสสนาต่างๆข้าพเจ้าวินิจฉัยไว้หมดแล้วอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมัชยผู้ต้องการรายละเอียดก็ไปดูในวิสุทธิมัชยพราะั้นตรงนี้ท่านจะให้นัยะหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้ปั๊บนึกออกเลยว่าวิสุทธิมัชยกล่าวไว้ตรงไหนก็จะได้ไปคนที่ตรงนั้นต่อไป ท่านก็เห็นความดับรู้ความดับเห็นความดับในหูในโสตะวิญญาณในธรรมะที่รู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณในคานะในคานวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วยคานวิญญาณในชิวหาในชิวหาวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณในกายในกายยะวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วย กายวิญญาณในมโนในมโนวิญญาณและในธรรมะที่รู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นว่ามโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้แจ้งได้ด้วยมโนวิญญาณเนี่ยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นท่านตามเห็นด้วยด้วยปัญญาที่ที่รู้พระไตรลักณเป็นอย่างเดียวประเภทอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองอนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนานัตตานุปัสสนานั่นเองเพราะว่าอนิจจานุปัสสนากับทุกขานุปัสสนาก็คือไม่ต่างกันไม่ต่างกันมากรู้สิ่งใดว่าไม่เที่ยงก็เท่ากับรู้ว่าสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกรู้สิ่งใดว่าเป็นทุกก็เท่ากับรู้ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพียงแต่ว่าความชํานาญในแต่ละอย่างแตกต่างกันดงนั้นถ้าพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาแสดงว่าปัญญีย์เนี่ยแก่กล้าถ้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็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 เพราะเหตุนั้นแหละท่านควรใส่ใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ตลอดการเนืองนิดสังเกตดูขนาดผ้าทหารแนะนําเนี่ยนะก็ยังแนะนําให้ใส่ใจในคําสอนว่าไว้รยังไงว่าบุคคลผู้อันตันหาและทิฐิอาศัยอยู่แล้วย่อมมีความหวั่นไหวก็เรียกว่ายังหวั่นไหวอยู่สําหรับผู้ไม่มีตันหาและทิฐิอาศายัยย่อมไม่มีความหวั่นไหว ตัณหานี้เป็นอุปาทานได้กี่อย่างได้กามุปาทานอย่างเดียวที่ถืได้สามอุปาทานคือหนึ่งที่ถูปาทาน 2, สองศีลแรตูปาทานสามอ ต, ตวาทุปาทานฝันถ้าผู้ที่ยังมีอุปาทานในอารมณ์นั้นอยู่ยังละอุปาทานไม่ได้ก็ยังมีความวันไหวถ้าหากว่าไม่มีอุปาทานเหล่านี้ก็ไม่มีความวันไหว อันอุปาทานนี่จะละละได้อย่างไรละได้อย่างไรมันก็ละได้ด้วยวิปัสสนาเป็นต้นนั่นเองแบบทางคะปหารเพราะว่าถ้าหากว่าเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็จะละคลายความตำหนักทิฏฐิเนี่ยนะเช่นที่ถูกปาทานก็คืออุเฉทิฏฐิกับสตติทิฏฐิถ้าเห็นความเกิดก็ละทิฏฐิอะไรได้เห็นความเกิดละ อุเฉททิถีได้เห็นความเสื่อมละสัตสตาททิถีได้เพราะฉะนั้นผู้ใดกล่าวว่าเห็นเกิดเห็นดับนั้นอ่ะจะต้องมีความเข้าใจเรื่องททิสองตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ศาสนาไม่ใช่อุเฉททิฐิไม่ใช่สัตสตาทฐิแต่กล่าวว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ใช่ศูนย์แต่ก็ไม่ใช่เที่ยงแต่เป็นไปตามปัจจัยของเขาอันผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็เห็นธรรมะ เพราะว่าถ้ารู้ว่าเพราะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอสิ่งที่มีขึ้นเพราะอีกสิ่งหนึ่งอะ่ะสิ่งที่มีขึ้นอันนั้นเป็นทุกขสัจปัจจัยที่ทําให้อันนั้นมีก็คือสมุทยัยสัจถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีไหมไ ม, ไม่มีอันนั้นเป็นนิโรธสัจดังั้นถ้าหากว่าผู้ที่ละคลายตัณหาและทิฏฐิในอารมณ์นั้นนั้นได้ก็ไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบ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 เขาเรียกว่าถอนอุปาทานให้มันหมดแล้วไง น, น, นึกเอ๊ะมันเป็นยังไงไว้ภาพที่ว่าเนี่ยนะถ้าคนมีตันหาไม่รู้หรอกหรือว่าคนไข้เกิดมาไข้มาตลอดเลยไม่รู้ว่าหายไข้เป็นยังไงหรอกครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะกล่าวสอนท่านพระชนะด้วยโอวาสนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นแล้วท่านพระชนะเมื่อท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นานได้หาสาตราฆ่าตัวเสียทันทีในขณะนั้น ก็ฆ่าตัวแล้วก็เป็นยังไงฆ่าตัวก็ต้องจุติเนอะก็บอกว่าเอามีดเนี่ยมาตัดคอเลยท่านพระสารีบุตรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถอยอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระฉันนะหาศาสตรามาฆ่าตัวเสียแล้วท่านมีคติอย่างไรมีสัมปรายพกอย่างไร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 คำประเภทนี้เป็นคำพยากรตัวเองแต่ว่าตอนนั้นท่านท่านสำคัญผิดไปทั้งทั้ที่ท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรหรอกทีนี้ตรงนี้ท่านก็เล่าว่าท่านก็นำสาตรามาแล้วสําหรับฆ่าชีวิตมาก็ตัดก้านคอขณะนั้นความกลัวตายของท่านก็ก้าวลงพอตัดชับเ็าไปเอ้ยตื่นตัวเลยนะกนนี้นึกว่าจะไปแน่นะพอเขาผลักขึ้นร ด, ดเอเอาแน่หรือเปล่าเนี่ยคตินิมิต ก, ก็ปรากฏ ภาพเนี่ยปรากฏเลยใช่ไหมไปเกิดที่ไหนเพราคตินิมิตปรากฏท่านก็รู้ตัวว่ายังเป็นปุตุชนก็เกิดความสลดใจตั้งวิปัสนาพิจารณาสังขารสำเร็จเป็นธาตรหันเป็นสมะสีสีแล้วก็ปรินิพันธ์พออรหัตตมรรคเกิดขึ้นปัจเวขณะยานดับปั๊บจุติจิตทันทีเรียบร้อยหมดเลยเสี่ยงมาก น, นะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงที่สุดในโลกาะ <c oughs> ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยใช่ไหม ก็บอกว่าฉันนาภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่ตอหน้าเธอแล้วอย่างนี้ท่านภาษารีบทก็กล่าวว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญมีบ้านในแว่นแคว้นวัดชีนามว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชันน่ยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่คนนี้ด่าท่านระงมเหมือนกันทำตัวแบบนี้โอไม่ชอบอะนะคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่แล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดยคนก็ไม่ ยกย่องสารเสริญใช่ไหมพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรชนนาณะภิกษุยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตำหนิด้วยความเพียงเท่านี้ก็หาไม่ดูก่อนสาหริบบุคคลใดแลทิ้งร่างกายนี้และยึดมั่นกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าควรตำหนิใครที่ตายเสร็จแล้วเกิดใหม่นะทิ้งกายนี้แล้วถือกายใหม่อีก คนประเภทนี้ควรควรตำหนิตอนนั้นควรตำหนิดิถือทิ้งกายนี้ถือกายใหม่ก็ควรตำหนินะในสายตาพระผู้แเจ้านะก็ต้องดูว่าใครใครตำหนิใช่ไหมชนะพิสูหามีลักษณะนั้นไม่ชนะพิสูหาศาสตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตำหนิเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิดนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดีภาษิดของพระผู้มีพระภาคเจ้า ของท่านเนี่ยนะปฏิปทายาณทัศนวิสุท ธ, ธิท่านเกิดแล้วอ่ะท่านจึงจึงกล้าเสี่ยงอ่ะนะอะมีพระบางองค์เนี่ยนะท่านเจริญสมถะกับวิปัสสนาพวบคู่กันไปทีนี้พอท่านเจริญได้ฌานปั๊บฌานเสื่อมคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ป่วยบ่อยพอได้ฌานตับป่วยฌานก็เสื่อมพอพักหนึ่งอีกรักษาไข้หายก็เจริญฌานใหม่ฌานเสื่อมอีกก็เป็นอยู่อย่างงี้ยพอป่วยฌานเสื่อมพอป่วยฌานก็เสื่อมหลายครั้งเข้าเบือ่อ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 เพราะว่าพระองค์ไม่ได้สอนให้ภาณาคุณแห่งความตายมีนะวินัยกล่าวว่าอันหนึ่งภิกษุใดนะภาณาคุณแห่งความตายหรือว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือว่าแสวงหาศาสตรามาเพื่อให้เขาตายเนี่ยนะแสวงหาศาสตรามาให้เขาฆ่าตัวตายเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุนั้นเนี่ยถ้าเขาฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยเป็นอบัตรตาชิกนโดยที่สุดแม้แต่ภานาคุณแห่งความตายเพราะฉะนั้นที่กล่าวนี้จึงไม่ได้ภาณาคุณแห่งความตาย แต่ว่าพัลนาว่าให้พิจารณาถึงความตายบ่อยๆให้เจริญปรารบถึงความตายบ่อยๆอการพิจารณาเรื่องความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยเป็นปริญญาไหมเป็นไหมพิจารณาว่ากายนี่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้นความตายไปได้ยไอยู่ในปริญญาข้อไหนปริญญามีสามใช่ไหมหนึ่งย יודע, ตะตาปริญญาสองเตลนาปริญญาสามานะประิญญาพิจรารณาความตายบ่อยๆอยู่ปริญญาไหน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 เพราะเราประทับใจในเรื่องนั้นมากพระธรรมที่เราท่องก็เหมือนกันถ้าเราประทับใจในคํานั้นๆเนี่ยนะเราก็จะจําได้เพราะว่าอุปนิสยัยถ้าสํานวนนี้ก็ปกตูปนิสยาปัจใจเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดแบบตลอดนะเว้นไว้แต่ภวังเนี่ยมันจะเกิดขั้นอยู่ตลอดแต่ความคิดความจําเหล่านี้แล้วแต่อุปนิสยัยฉะนั้นถ้าอุปนิสยัยถ้าเราตั้งไว้ดีเนี่ยเราก็จะจําในสิ่งนั้นๆได้ S 1> <S 1> จิตเนี่ยนะแปลกนะถ้าเราจะให้เขาเลือกจําเขาจะจําเขาจะเลือกจําได้แต่แต่เราต้องเห็นอย่างนี้เป็นสาระซะก่อนนะแล้วเห็นอย่างอื่นสาระน้อยกว่าเราจะจําอย่างนี้ได้แล้วแต่จะปลูกฝังให้ถ้าเราบอกว่า <S <S <S โอ<ฮ>้โยสมมุตินะคนนี้ดีที่สุดในโลกเนะี่ยเรานึกถึงแต่คนนี้คนที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวลืมคนอื่นหมดจะจำได้แต่คน น, ค น, นี้คนเดียวถ้าทำก็เหมือนกันคําสอนนี้ดีที่สุดในโลกสมมตินะในในความเข้าใจของเราเลยนะสมมนะเสร็จแล้วเราจะจําเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่ไม่ยากเกินไปและ้ะยาก ไ, <ป S 1> ไหมเราไปคิดถึงจําไม่ได้ในขณะที่ท่องจิตขนาดนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลครับเป็นกุศลควรจเจริญไหมควรจเจริญหรืออย่างเราเรียนธรรมะเนี่ยเรารู้ว่าการท่องของเราเนี่นะเราไม่คิดท่องนกแก้นกขุนทองเราท่องไปด้วยเรารู้เหตุผลเราตรื่ไปด้วยเราเหตุผลไม่ยากเท่าไหร่เพราะถ้าหากว่าเราท่องบ่อยๆนะเสร็จแล้วสงเคราะห์ ถ้าคนที่ท่องได้จะสงเคราะห์ลงในชีวิตได้ง่ายถ้าเรื่องไหนจําไม่ได้นะสงเคราะห์ลงก็ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฉันรู้หน่ารู้น่าไอ้รู้เนี่ยรู้ยังไงก็ไม่รู้ยังฟังไม่ออกเหมือนกันงั้นถ้าหากว่าเราท่องได้จําได้นั้นน่ะมีความสําคัญมากเพราะศาสนาเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นด้วยด้วยการฟังอะ่ะฟังแล้วจาไม่ได้เรียกว่าฟังไหมเรียกไหม <c oughs> ไม่รู้จะเรียกศัพท์ไหนดีนะเพราะผ้านนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความจํามาก ก็เว่ามีกิติมีสติเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะด้านการทรงจําังั้นถ้าหากว่าเราจําไม่ได้ข้อมูลในการพิจารณาพระธรรมเราก็น้อยถ้าหากว่าเราจําคําสอนไม่ได้แน่ใจนะว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินีนของพระผู้มีพระภาคคือ <c oughs> ของจะมากล้าพูดอย่างนี้เลยนะว่าสิ่งที่เราพิจารณานะคําสอนของพระ อ, องค์เรายังจําไม่ได้เลยว่าพระ อ, องค์สอนให้พิจารณารายังจําไม่ได้แน่ใจนะว่าเรายังยังทําตามพระ อ, องค์อยู่ก็เป็นเรื่องของเร า, าทั้งนั้นแหละ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 พระธรรมนั้นถ้าเราเข้าใจถูกมีคุณค่ามากมายมหาศาลถ้าเข้าใจผิดก็บอกว่าพระธรรมเนี่ยไม่ผิดก็เหมือนกับยาเนี่ยนะหมอที่เก่งๆเนี่ยเขาปรุงไว้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็มีคนเผลอไปกินแล้วตายเหมือนกันนะถามมาโทษหมอได้ไหมโทษไม่ได้เพราะว่าคนกินไม่รู้จักขนาดไม่รู้จักขนานไม่รู้อะไรเองฉันนายพระธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ในสูตรนั้นไม่เพียงพอมีโทษมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นใช้กะไม่ได้พระธรรมเนี่ยมีค่ามากแต่คนชอบกะวิชาอื่นๆนะมีค่าน้อยแต่โหหลักการเนี่ยเป๊ะๆป๊ปคือถ้ามีศรัทธานะท่องได้แน่นอนคือถ้ามีศรัทธาที่จะท่องนะเพราะมาเชื่อว่าใครก็ท่องได้เพราะอะไรลูกเรายังจำชื่อได้อะ <c oughs> พระธรรมถ้าเราคิดว่าพระธรรมดีมากเราก็ต้องจำได้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 เพราะธรรมชาติที่จําเนี่ยไม่ใช่สมองเป็นตัวจําสัญญาเจตสิกทาหน้าที่ทําหน้าที่จําจะจําได้หรือไม่คือจะจําได้ในสิ่งนั้นนะมันยังมีปัจจัยอยู่สองตัวหนึ่งสิ่งนั้นเป็นอา ร, รมณนาที่ปฏิไหมแล้วสองในขณะที่จําเนี่ยเป็นสหาชาตาที่ปติไหมนั่นก็คือตระกูลนาที่ปฏิปัจจัยเช่นทําไมเหตุการณ์บางอย่างเราตกใจและเรามาเล่าได้เพราะในขณะนั้นมีสหาชาตาที่ปฏิ โทสะเมีอะไที่ปดีไหมมียะไรที่ประดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะและจิตตะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถที่จิตในขณะนั้นก็สามารถที่จะจําได้สองอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาธิปฏิอารมณ์ที่หนักเครียกว่าที่หน้าปรารถนาที่น่าฝักใฝ่นี้ก็จะเป็นเหตุให้จําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังสองอย่างเนี่ยนะหนึ่งปลูกฝังให้จิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยฉันทะธิปฏิวิริยะธิปฏิจิตตะทิปฏิหรือวิมังสาธิปติ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 นะวันนี้ก็คงใช้เวลากันเท่านี้